พูดหลายวันนล้วพูด <c oughs> บ่อยนะแต่เหน่อยวัน พ, พูดวันนี้จะชุมวันนี้สอคือจะมีการงานแจกคนมาจากที่อื่นมาพักษาอาศัยทำินสุนทานในวัดเรื่องของวัด เป็นที่ทำบุญสุนทางของผู้ส่องการบุญกุศลวัดที่ใช้เป็นจดึงดูดจิตใจของบุคคลในเรื่อมใส่ศรัทธาก็เนื่องจากพระจากเนรในวัดเป็นสำคัญแตาพระเนแในวัดประพฤปฏิบัติถูกต้องตามสิ่งธรรมคำสอนขององพุธเจ้า คนที่มาพบมาเห็นพ็เกิดความเยือกเย็นในจิตในใจมีความเฉลียวใสศรัทธาอยากทำบุญสุนทานก็เชืีอว่าจะเป็นเนื้อนาบุญของเขาได้ดีจะถ้าท้ า, านเน้นในวัดไม่ก็คลดยร์ตสิบัดอะไรมีแต่ เ, ตเตี่นแต่เพลินแต่กินแต่ขี้ เยื่อยุกันหัวเราเออกลึกเห้าจับกริงจับก่อนกันคุยคุยกันไปทางจิตอานารักษา ม, มีการสั้างบอลระวังกายวาจาตลอดถึงใจของตัวแบบนี้ก็ไม่เป็นที่เรื่องใสศรัทธาของคนทั่วไปที่มาเห็น คนมาหาการก็มีสองอย่างถ้าหากจ า, จ า, ากินจะฐานก็คือปฏิบัติดีชอบตอนรับเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามหน้าดูหน้าชมเขาก็นำไปสันนิษฐานก็ถือว่า้าวัดนั้นเนวัดนั้นนักปฏิบัติ พวกนั้นมีขวัดปฏิบัติมีอักมีธรรมถ้าหาพวกนั้นตรงกันข้ามไม่เอาฐานอะไรมีแต่เชื่อเป็นพระกรรมฐ า, านเป็นนักปฏิบัติแต่มาดูแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าเลื่อมใสสักช า, าการฝูดจาปลาใสการไปการมาจิริยามรยยา ความต้องรวมระวังสังวรทางกายวาจายใจในมีม่เหมือนกับชื่อที่ว่าสมมสานนักปฏิบัติมาดูแล้วเหมือนกันกับคาะวาอย่าโยมธรรมดาเหมือนกันกับพวกนักเลงกีลาคุยกันลั่นวัดแบบนี้เขาคนนำไปตำหนิมินทาไม่ว่าเขาว่าเรา เป็นธรรมดา <c oughs> การไปมาหาสู่กันจะมีสองอย่างเท่านั้นคือถ้าดีเขาก็บนำไปสรรเสริญถ้าไม่ดีเท่ากับตำหนิมินทาฉะนั้นสวกนักปฏิบัติโดยเฉพาะท้าที่สู่สามมณานจึงเป็นทา ย, ยากของพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าทางปฏิบัติ ศาสนาจะต้องรักษาระ ว, วังเพื่อเหยียดของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นพวกเราเองก็จะเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายทำความเสียหายให้แก่ศาสนาหรือครูอาจารย์เราต้องสนใจในเราก่อนสอนตัวของตัวก่อนทำตัวของตัวให้ดี ไห้เป็นที่นิยมชมชอบของตัวเองเพราะการทําการพูดการคิดไม่มีอะไรที่จะตําหนิว่าเราปล่อยสติให้เสียหายไปทําอย่างนั้นพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้เป็นทางไม่ดีเป็นทางนํามาสื่อเฉลีตัสรหาผู้รู้ทั่วไปที่จะได้นาจะต้องตําหนิ แต่เราคิดตรวจตาที่จะรายนานกำรังความสั่วของตัวออกไปจากกายวาจาจใจอยู่อย่างนี้หชื่อว่าเราสนใจตัวของเราเองเมื่อตัวของตัวเองสนใจในตัวของตัวเองเพื่อตัวของตัวให้ดีในนี้ที่ดจำในทางสั่วทางเสียผู้ที่ทำดีใน ที่อะทึกไปดูวยกลายวาจใจข้องตัวถ้ามันเป็นอย่างนี้ความสนใจท้องตัวสนใจที่จะละชั่วบาเพ็ญดีมีอยู่ในตัวและตัวเองตรวจตาที่จะานาตัวเองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะทำความเสื่อมเสียให้แก่พระศาสนาและกายวาจาจใจท้องตัวยังเราสนใจ ตัองเราก็วพืชไปตามธรรมินในสัวรกายวาจาใจของเราเถวนี้ในส่องไปเรียกร้องให้คนอื่นเขามาสนใจเขาก็ต้องสนใจเพรตัวของตัวสนใจในตัวของตัวตัวของตัวดีไม่มีที่ตำหนิคนอื่นเขก็ตําหนิไม่ได้นี่เป็นเรื่องสําคัญของนักก็พืชปฏิบัติสาหาส ไมท่ทีนี้ที่เจรนาสำหรับความชั่วอยากแต่จะให้เขาเยอมใสสศรัทธาอยากแต่จะให้เขาสักการบูชาสละเสริญแต่ตัวเองเน่าเหม็นไม่มีกลิ่นอะไรที่จะชวนให้คนอื่นเขาดมได้ดูด้วยตา กยามารยาทก็ไม่สวยงามอะไรพูดออกมาทางปากก็ไม่มีอาจมีทมที่จะเป็นเครื่องสำลักกายใจเป็นเครื่องประทับจิตใจพอที่จะนำไปฝึกปฏิบัติพอที่จะทำความเย็นหูเย็นใจให้แกคนอื่นที่เขาได้สะดับรับฟังตลอดถึง เรื่องของใจเองถามันมีคุณความดีภายในทำไมความดีจึงไม่รั่วไหลออกมาทางกายทางวาจาเลยมีแต่ของเน่าของเหม็นของไม่เป็นประโยชน์เขากอตัณหนิเหมือนตัณห์นปิปลูพืชปฏิบัติตัณหนินักบวชมันก็เหมือนกันกับว่าตัณหนิเขาพุทธเจ้า พระธรรมพระริยสงฆ์พอนักบวชเป็นผู้สืบศาสนาหน้าท้ายญาตสืบศาสนามาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาทำดีในที่พระพุทธเจ้ามอบให้แต่นั้นนักบวชจึงควรระวังรักษาสังวรกายวาจายใจของตัวหญิงมีคนต่างหน้าต่างตา ต่างถิ่นต่างฐานมาพักมาอาศัยเขวัดเขวามาเยียามาเยาที่จะควรส้งวันระวังนั้นเราก็จะต้องส้งวันระวังเพื่อประโยชน์ของศาสนาถึงเราไม่ได้ทำสิตขาดอะไรไปในทางสั่อเสียจากถิธนทมกว่าดีแต่สังคม นิยมนับถือแบบไหนก็ต้องทำไปตามสังคมเป็นบางสิ่งบางอย่างทางศ า, าสนาถึงถือว่าโลกวัตชะหมายถึงว่าสังคมเขานิยมนับถือแบบไหนคนเหล่านั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามสังคมที่เขานิยมสมสอบ ในอย่างนั้นมันขัดกันกับสังคมทั้งๆ ท, ที่เราพูดเราทำนั้นไม่มีทางเสียหายจากทำดีในแต่สังคมเขาไม่นิยมสมชอบสังคมก็เป็นสิ่งที่นี้อกที่คนอันหนึ่งซึ่งโลกสมมุติทั่วไปเขาเหลื่อมใสเขาถือกันปุถุชน คนหลงร้อยมากถือเรื่องสังคมเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสังคมที่เขานิยมแต่งกายในวันเกิดหรือในวันแต่งงานหรือในวันเขาศพการแจ่งตัวของบุคคลนันั้น ต้องแต่งตามแบบสังคมนิยมกันมาอย่างนั้นบางเสีอาจถูกกัน้นต่างเอาไว้ไม่ให้เข้าไปในสังคมเคยเห็นเคยได้ยินจากตัวเองมาอย่างงานสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยยีสีรันมากค วันนั้นไปส่งท่านอาจารย์มุนจันติวัดโบวอนมีแขกมาจากต่างจังหวัดดูมันจังหวัดมากเข้ามาในงานแล้วอยากจะพบพร ะ, ะพระกปเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระเจ้าคณะจังหวัดางานงานแล้วเขามีธุระอยากจะพบเขเลยมาถามเลยตอบเขาว่า จะมาก็เป็นพระอาคันทุก ะ, กะไหนสาว่าองค์ไหนอยากแจ๊สาบพวกเขาไปถามดูที่ฉันนั่งอยู่รวงกลุ่มกันอยู่นูะเขาบอกว่าเขาไปไม่ได้จารีกเข้าไปอนุญาตทำไมเพราะแต่งกายไม่ถูกคือเวลางานคนตายคู้ใหญ่ตายลิบยาดนิด ตายโดยมาตัวแต่งชุดดำไหว้ทุกนี่เป็นประเทศมีในเมืองเขาทํากันแบบนั้นถ้าไปแต่งตัวหรูหราธรรมดาเขาไม่เข้าถ้าเขาแต่งชุดดำแบบนั้นไปในงานมงคลเป็นต้นว่างานสงนรถงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่เขาเขาก็อีกแหละ ดูมินินทาทำไมทำแบบนี้นี่หมายถึงการแต่งกายโรคนิยมแต่เราแต่แงแบบนั้นมันก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดธรรมินัยอะไรแต่โรคนิยมนอกจากนั้นการฝูดจาตรวจต่างๆเหมือ น, นกันถ้าหากเขาทำบุญวันเกิดทำบุญอายุหรือทำบุญ สมรถทำบุญขึ้นบ้านใหม่ถ้ะถี่มีมนไไฟในซาตบาทัทโนิยมการแบบไหนในการสวดเราไปต่อสั่งตนกุศลาธรรมาอักุสลาธรรมาสุดคนอยู่นั้นก็จะดูหมิ่นนินทาหรืออาจจะลุกมือห น, นีก็ดัก <c oughs> เ, ดเพราะเหตุใดเพราะคำสวดแบบนี้สวดพีตายในคื่ไปสวดในงาน มงคลอย่างนั้นนี่คือความนิยมกันแต่ทั้งที่ธรรมะที่สูดไปนั้นสวดไปนั้นมันไม่มีอะไรเสียหายแต่เขานิยมกันแบบนั้นยึงตรงทําตามเรื่องโลกนิยมทางพระศาสนาทื่อว่าโลกกวัสตสคือถ้าทำในเหมาะสมถูกต้องโลกเขาดูหมิ่นนินทา แต่นั้นจึงต้องมีการศึกษาต้องมีการพิจรารณาความเหมาะสมมีผู้คนที่ส่ามาวัดมาว่ากว่าทำรองเยียวกันเขาจะ้่งมาสังเกตดูว่าพระเนนในวัดนั้นเป็นอย่างไรเราจะทำแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับคนนั้นนั้น ใจต้องพิเนติเจลัยนาในใจว่าเราเคยทําแบบไหนก็ทําไปตามอําเภอใจของเรามันต้องรักษาเพื่อพศ า, าสนาเพื่อมู่คณะนึ่เรื่องของภายนอกสึ่งจะต้องศึกษาสึ่งจะต้องพิเิจลัยาเอาใจใส่ส่วนเรื่องภายใน ก็อีกเหมือนกันถ้าภายนอกหยับยาบยังไม่ทราบว่าอะไรควรไม่ควรเรื่องภายในด้านจิตใจอารมณ์สัญญานั้นมันละเอียดคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะกำจัดปัดเป่าเรื่องกิเลสตัณหามานาทิฏฐิออกจากตัวของตัวได้ ไม่ทราบว่าอารมณ์อะไรที่ควรจะปฏิบัติอารมณ์อะไรที่ควรขับไล่เลยไม่ทราบส่วนสายปลายเหตุที่มาก่อปวนใจของตัวทําไมมันจึงยุ่งเหยิงเดือดร้อนทําไมมันจึงสงบระ ง, งับหยัดเย็นอย่างนี้ไม่ทราบส า, าเหตุของมันเมื่อไม่ทราบก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วแต่มันจะเป็นจะไป จิตใจก็ไ้เหล้ยเรีย่ยวร่อนอยากคิดอยากปรุงสัญญาอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เรื่องของใจของกิเลสตัญหาจะนำพาแบบนั้นจะปฏิบัติอยู่สักกี่ปีมันกะไม่มีอะไรที่จะดีวิ เ, เศษชิ้นให้เพราะเราเองไม่สาสตบ์จิตใจของเราอารมณ์ของเราเราต้องมีปัญญาชนิดพิจัยนะ ตรวจตาเรื่องอารมณ์สัญญาเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องมรรคเรื่องผลคือศีลสมาชิปัญญาในตนท้องตนว่าทำอย่างไรจิตใจจึงจะเต็นไปเพื่อตามก้าวหน้าทำอย่างไรจิตใจจึงจะละเรื่องราคาตัณหาให้ตกให้หล่นออกไปเพราะสิงเหล่านี้มีมากเท่าไรว่าทาจิตใจ ไอ้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเลือร้อนเราจะต้องทีนี้พี่แจนาดูอารมณ์สัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตเพราะทุกคนมีอารมณ์สัญญาประจำใจไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยเหมือนพระพุทธรูปตาดูหูฟังมันเกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์นั้นถ้าหากไม่มีสติปัญญา นำมาที่ใจนาเกือ่อจก้ไขมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตาเห็นก็สักแจว่าเห็นหูได้ยินก็สักแจวได้ยินจะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นไม่มีแต่เรื่องของความชั่วที่เราไม่ต้องการหรือโลกไม่ตองการนั้นมันเกิดขึ้นไดน้ทั้งที่ไม่ได้ปลูกฝังอะไรเหมือนกันกันกบพืชพันธุ์ต่าง อยู่ในดินเป็นต้นวายายึดส่วนไม้ต่างๆซึ่งเราไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นได้งอกขึ้นได้แต่สิ่งที่เราต้องการเราต้องปลูกต้องหว่างต้องรักษาแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีการร่วมหายตายไปไม่จเจริญงอกงามเท่าที่ควรแต่ของไม่ดีนั้น มันเกิดขึ้นง่ายทั้งที่ที่ไม่ได้ปลูกฝังแล้วก็จะเจริญเติบโต ง, ง่ายมีเรื่องกิเลสตัณหาภายในจิตในใจก็ทธรนองเยวกันตาได้เห็นหูได้ฟังถึงเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาเพื่อจะนำมาส่งเสริมกิเลสตัณหามันก็เกิดขึ้นได้เต็นขึ้นได้ แต่นั้นเรื่องความชั่วยังเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นพื้นฐานของจิตใจผู้ทุชนคนหลงถั่วไปเพราะตาก็มีหูก็มีใจก็มีเหมือนกันแต่เห็นแล้วนำทุกนาำโทษมาให้นำความกำห น, น, น, น, น, นัดยินดีมาให้ทำจิตทำใจให้วุ่นวายเหลืออร้อนเป็นทุกข์เพราะขาดสติขาดปัญญา ขาดการที่นิทิจายนาะขาดการชำระความชั่วออกจากใจของตัวผู้รู้ทั่วไปท่านชำระสาสางไม่ว่าตาเห็นหูได้ยินเกิดอารมณ์อะไรขึ้นแพรในใจของท่านท่านมีสติมีปัญญาที่นิทิจนะายนาจะเห็นว่าจะเป็นข้าศึกศัตรู ต่อจิตใจต่อความสงบต่อความเยือกเย็นเป็นอันตรายต่อธรรมะท่านรีบกำจัดปัดเป่าออกไปไม่เก็บเอาไว้ละทิ้งปล่อยทิ้งท่านจึงมีความสะอาดอยู่ตลอดการตลอดเวลาเพราะอะไรตกลงมาเกิเป็นสิ่งสปกปรก ท่านรีบํำระออกไปใจของท่านจึงสะอาดทั้งชางคิวปอดีเสียงกอดีมีอยู่ในโลกเหนือนกันกับพวกเราทั่วไปเห็นได้ยินแต่ท่านทำไมใจของท่านจึงไม่เกิดกำลังยินดีไม่เกิดความวุ่นวายว่าเวิ้หลงไหลร้อนใจเขาใจตัวเองเพราะท่านมีปัญญา สำลักใจของท่านนี่เราไม่ได้สนใจในตัวของเราแบบนั้นยังของหยาบหยาเราเอียงกว่างไม่ทราบว่าจะรักษาแบบไหนยิ่งเข้าไปภายในเป็นสิ่งที่ละเอียดมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปแต่นั้นนักปฏิบัติยิ่งควรสังวรระวังรักษาไปแตหยาบ้าไปหา ทำละเอียดท้องใจจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแก้ไขจะบำเห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่เกิดดีชั่วรูปก็เป็นรูปอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของมันเกิดขึ้นแต่ปวนแตกสลายเสียงก็เหมือนกันได้ยินแล้วมันก็ดับไป ไม่ได้เก็บเอาไว้เพื่อจะเขาตัวข้องตัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีการแตกถลายไม่ว่ารูปว่านามมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือปัญญาที่ประพฤติปฏิบัติรู้จักเข้าใจในตัวข้องตัวเองในเหมือนแต่ก่อน อะไรตกลงมาก็เหมือนตกลงมาใส่ฝ่ามือจำเอาได้เจ็บเอาได้แต่เมื่อท่านแก้ไขทำจิตทำใจให้ถึงจุดจบของท่านเหมือนกันกับตกลงใส่หลังมือมันจาไม่ได้ตกลงแล้วก็หล่นไปหยุดไปก็มีเหมือนกัน เรื่องอารมณ์สัญญาเรื่องท่าเรื่องขันแต่ท่านใมหลงเหมือนพวกเราท่านจึงมีความสุขความสบายไม่ว่าอยู่ว่าตายมีความสุขตลอดเวลาเพราะอารมณ์สัญญาเกลียดตัญหาในลบกวนจิตใจของท่านพวกเรานั้นเรื่องของกายมันเป็นธรรมดาเกิดมานั้นก็มีแก่มีเจ็บมีตาย มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรใค ร, ใครก่อเป็นมาอย่างนั้นเราก็ทราบกันบางทีไม่มีโรคภัยอะไรเข้ามาก่อป่วนภายในกายท้องตัวแต่ใจที่คิดไปในทางชั่วปรุงไปในทางชั่วอารมณ์หยว่วยุจิตใจเผาใจไม่มีโรคภัยทางกายแต่โรคภัยทาง ใจมันเบียดเบียนมันก็ไปเกิดทุกข์มันไม่เกิดทุขให้นี่จะทุกข์อยู่ในจิตในใจเรื่องทุกข์ภายในคือทุกข์ของใจนั้นมันสามารถที่จะชำระปราศสารออกไปได้ด้วยอํานาจของสติด้วยอานาจของปัญญาด้วยอานาจของข้อปฏิบัติ แต่ละคนไม่ใช่ว่ามันจะติดอยู่ตลอดเวลาทั้งอยู่ตลอดเวลาสามารถกำจัดออกไปได้ทุกทางใจเป็นเรื่องจะต้องกำจัดขับไล่โดยอุบายปัญญาศรัทธาความเชียนต่างๆ ทุกทางใจนั้นมหมายถึงความโศกใจเศร้าใจเสียใจแห่งใจความอยากได้ไฟฝันถิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เป็นเรื่องนำทุกมาในแจ่ใจของตัวทุกส่วนนี้ถ้าหาพิจารณารอบเข้าใจถึงทุกอย่างแล้ว มันไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ทุกของกายนั้นไม่ว่าผู้ทุชนรธรรมดาหรือพู้อริยะเจ้าแยต้องนี้เพราะเรื่องของกายจ็นรังทั้งโลกโรกภัยมันก่ออาศัยกายเนี่ยเป็นที่เกิดขึ้นโรกปัดโรกไอโก้โรกต่างๆนั้นนะนับ ประเทนักอย่างไม่ได้แต่มันอาศัยอยู่ในกายของเราเหมือนกันกับสัตว์อาศัยอยู่แผ่นดินมันไม่มีที่อาศัยมันต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่อยู่โรคมันก็อาศัยกายเป็นที่อยู่กายจึงเป็นก้อนของโรคโรคมันไปจำอยู่ตลอดเวลา หลบนิ้วหลบกระหายหลกเงยหลบเหนื่อยหลกเหนื่อยหลกหิ้วหลกจอเป็นการใช้เวลาตัวนี้ีเป็นเรื่องของกายการพิ่เจรณาธรรมสารับใจของตัวนั้นท่านจึงไม่เห็ส่งออกไปนอกดูภายในดูกายของตัวดูใจของตัวเพราะตนต่อที่จะเกิดความ ดีความชั่วความสงบความฟุ้งงต่างๆมันเกิดไปจากกายจากใจนี้มันไม่เกิดไปจากที่อื่นถ้าพิจารณาทั่วในกายท้องตัวแยกบคายเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากทุกอย่างแล้วเรื่องนอกออกไปจากกายหรือรูป หมายถึงกายที่เรามองเห็นโดยตาไม่ว่ารูปของตัวหรือรูปตป้นไม้ภูเขาตัดบุคคลทั่วไปในอดีตรหรือปัจจุบันอนาคตถ้าหาพิจารณาทั่วในตัวเราเท่านั้นมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะสงสัย ี่เขาหลวงรับดับไปหรือเขายังเป็นอยู่หรือเขายังไม่เกิดเมื่อเกิดมาเ็เป็นอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นของวิเศษวิโสไม่มีอะไรที่จะมาปิดกั้นสติปัญญาใต่เราหลงไหลไฝ่ฝันมืดบอดไปอีกนี่คือการที่นารณารูป พอใจรูปของตัวทั่วถึงก็รู้รู้ทั่วโลกทั้งอดีตอานาคตปัจจุบันเหมือนกันหมดเป็นโลกวิทูรูแจ่มไม่ได้หลงไม่ได้มีอะไรมาปิดบงังในความรู้ของตัวขอให้่ใจนรณาให้ทั่วให้ถึงให้เห็นให้เป็นในใจ นามก็ทำานองเดียวกันแต่ที่มันเป็นปัญหาก็าเพราะสติปัญญาของเรายังไม่พอสติปัญญาของเราไม่พอก็เพราะจัทธาความเพียอของเรายัง อ, อ่อนถ้าเราเชื่อมั่นในตัวของตัว มีความเพียนขยันเอาจริงเอาจังในการอยากรู้อยากพ้นทุกข์มันก็ไม่เหลือวิสัยจะต้องเห็นตรงเป็นในจิตในใจของตนนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นความเห็นภายในทุกในโทษในวัฏฏสงสารเห็นระยะแค่ตาเดียวเหมือนฝ้าแดด มันไม่พอจะมองเห็นให้ถ่ดถึงได้เวลาจะร้มจะตายเกิดขึ้นรู้จักพอหายจากโรคใค้จิตใจก็ลุ่มหลงไปอีกมืดบอดไปอีกคือมันไม่ต่อเนื่องกันการที่นิพพานาเห็นทุกเห็นถทษในวัตาสงสารเหตุนั้นเมื่อ มันจะไปจริงจังมันจะตายจริงจังมันจึงหลงได้เพราะปกติมันก็หลงอยู่แล้วมันไม่รู้อะไรถ่าจึงให้สร้างใจของตัวประพฤติอาจประพฤติทมให้มีสติให้มีปัญญาตลอดการตลอดเวลาพร้อมเสมอในายเวลานี้ก็ไม่มีการเสียสิ จะอยู่ไปอีกกว่ามันมีการลุ่มหลงนี่คือผู้พินิจพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมะตัวข้องตัวก่อนในตำหนิตัวข้องตัวคนอื่นผู้รู้ทั่วไปที่เจรนาเลื่อมสทิ่เจรนาแล้วก็เลื่อมใสเพราะกายใจของ่านนั้นนั้น ไม่มีอะไรที่จะเป็นโทษเป็นไยัยท่านอยู่สถานที่ใดเป็นสุขะโตสำหรับท่านและสัรวโลกกา ร, ป, รปฏิบัติตามอาจิธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมันมีคุณค่าสาระอย่างนี้คนที่ไม่มีธรรมะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่า ตัณณ์ตัวได้คนอื่นเขาก่อําณณ์ในเลื่อมใสตัวเองคนอื่นเขาก็ไม่เลื่อมใสไม่สนใจตัวเองคนอื่นเขาก็ไม่สนใจจงพากันพินิจพิจารณาธรรมร ะ, ะต่างหาต่างตาทําทความเพียนเื่อแก่ไขความเสวดเสียของกายวาจาใจออกไปสนใจ ในอัดในทรรมยิ่งฟ่าสึงใจสิ่งอื่นปวดทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกยินฟ้าอาสากถามเขาดูกขาหรือว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเขาไมเคยตอบว่าเขาเป็นทุกข์เป็นสุขแต่ใจของเรากายของเรานี่แหละเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะความยึดถือเพราะความหลุ่มหลง จงพิจารณาําระตัวของตัวด้วยธรรมะด้วยอาดด้วยธรรมอย่าเอาจิเลตมาสําระจิเลตมันไม่มีทางสะอาดได้เหมือนเอาของสกปรกมาล้างของสปกปรกมันมีแต่เพิ่มความสปกปรกเทวีคูณขึ้นไปของสกปรกต้องเอาของสะอาดมาสําระมันถึงจะสะอาดได้ได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำที่สะอาดสามารถชำระสิ่งที่จกประปกปฏิกูลให้ตกออกไปให้สะอาดออกไปผดดู้ใคคดที่ใข่จิตทีนิพพิจรารณาปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าคนนั้นจะมีวันสงบสุขมีความสะอาดภายในตัว ตัวของตัวเองก็ไม่ตำหนิตัวของตัวได้คนอื่นทั่วไปก็เหลื่อมสาศรัทธานี่เรื่องของศาสนาไม่ได้อยู่อื่นไกลอยู่ภายในกายใจของเราเถอะนะอยู่ภายในของเราให้ดีปฏิบัติในทั่วถึงอย่าไปโทษคนอื่น โทษที่อื่นให้โทษตัวของตัวมันจึงจะมีทางสำรับในอย่างนั้นจะไม่มีโอกาสเวลาที่จะสำรับตัวของตัวอยู่ปกายีเดือนกีปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด่านความดีมีแต่ความยุ่งเยงิงวุ่นวายเดือดร้อน เพราะไม่ทราบสาเหตุความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนั้นนั่นเกิดขึ้นมาจากที่ไหนที่ไม่ทราบสาเหตุก็คือไม่ดูกายดูใจของตัวมองออกนอกไม่ได้มองเข้าในมันก็เลยไม่เกิดคุณความดีอะไรธรรมะเป็นโอปนัตยโกคือน้องเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัว สมาของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นขอให้ทุกข์ท่านนำไปพินิสิเจนาศึกษาตัางหน้าตัางตาปฏิบัติให้สมกับสื่อสีาว่างพระสมฐานพระปฏิบัติในอย่างนั้นมีแต่ชื่อพอมาเห็นเขา้าก็ไม่มีอะไรที่น่าเรื่อมไร้สัจธรรมเขาจะดูหมิน่นมินทา ถึงครูถึงอาจารย์ถึงศาสนาอย่างที่เขามาพูดวันนั้นว่าพระเอาเปรียบชาวบ้านเขาพระไม่ได้ทำอรุประโยชน์อะไรแกโลกพระเป็นภัยแก่สังคมนี่ลัทีควา ม, มนิย์ที่เขาพูด ที่ไม่ใช่แต่ที่ความนิดคนที่เห็นผิดไปแบบนั้นก็มันก็มีฉะนั้นเรื่องเขาพูดก็ควรนํามาที่นิพิเจรณาแจกใช้ปรับปรุงกายใจของตัวมันชั่วมันเสียมันไม่เกิดสาระประโยชน์จริงๆหรือเราไม่ได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์แก่โลกจริงๆหรือที่เราอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเนรเราต้องตรวจตาพิจเจนนา อย่าให้เขาดูหมิ่นนินทาในการประพฤติปฏิบัติของตัว<ม>คนทีเห็นก็ดีได้ยินก็ดีนิพิพจารณาก็ดีอย่าให้เขามีทางก้รหนิตัวของตัวได้นี่คือการประพฤติปฏิบัติแต่คนชั่วคนเสียคนหมื่นคนบอดนั้น มันก็ห้ามกันไม่ได้ถนนใหญ่ขนาดไหนมันก็ไปไม่ถูกก็ตามมันบอกนั่นเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งแต่คนธรรมดาที่มีสติปัญญาทีนี้พิจารณาแล้วอย่าให้เขาดูหมิ่นนินทาแต่เป็นพระที่ช่วดี่เสียในนี้อัดในนี้ทำในหน้าเขารพกราบไหว้เลื่อมใสศรัทธาอย่าใ้เขาดูหมิ่นนินทาแบบนั้น พากันประพฤติปฏิบัติระวังสังวรการพูดสละซัญอันหนึ่งเวลา ร, รวมกันอาบน้ำก็ดีดื่มน้ำร้อนก็ดีฉันจังหันเสร็จทำกอวัดก็ดีสำคัญเพราะเสียงมันดังลั่นผิดปกตินี่ก็แสดงว่าเราเองไม่มีสติ ระวังตัวเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันในใจคนหูหนวกพูดธรรมดาพอเพียงเจ่ะได้ยินกันแต่พูดดังนั้นอาศัยขาดสติเพียงจ่ะรักษาคำพูดก็ไม่ได้ใจที่คิดปรุงไปมันเป็นของละเอียดมันก็รักษาไม่ได้อีกอันนี้ขาดไปอันนั้นขาดไป มันก็ไม่มีอะไรดีให้ขาดขาดก็ยังไม่น่านุ่งห่มมุ่งขาดก็ยังกันยุ่งไม่ได้เราต้องระวังรักษาสมกับชื่อที่โต๊ะท่ากรรมาฐานท่าปฏิบัติต่าหน้าต่างตาปฏิบัติตามอัตธรรที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเขาดูหมิน่นนินทา อยู่ป่าก็เป็นลิงเป็นข้าไม่ใช่ อ, อยู่ป่าเพื่อสำระกิเลสตัณหาอยู่ป่าเพื่อวิเวกสงกบหลวงที่นิติเจนะเนี่ยสอนกายวายจใจทองคนเมื่อทุกคนระ ว, วังสังวปรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ การอธิบายธรรมะาพอควรเจ็เวลายเพียงแคนี้เวัง